4. ปาติโมขะสวนาระหะว่าด้วยผู้ควรฟังปาติโมเรื่องทรงให้ภิกษุสงฆ์ยกปาติโมขึ้นแสดงเอง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทำอุโบสถไม่ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปพวกเธอพึงทำอุโบสถพึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงเองภิกษุทั้งหลาย มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่เราจะทำอุโบสถจะยกปาติโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีอาบัตติดตัวไม่พึงฟังปาติโมกรูปใดฟังต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้งดปาติโมก แก่ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนั้นภิกษุทั้งหลายสงพึงงดปาติโมกอย่างนี้ในวันอุโบสถ14ข่ค่ำหรือ15ข้าค่ำนั้นเมื่อบุคคลนั้นเข้าร่วมประชุมสงพึงประกาศขึ้นในท่ามกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า บุคคลชื่อนี้มีอาบัตติดตัวข้าพเจ้าจะงดปาติโมกแกบุคคลนั้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงไม่พึงยกปาติโมกขึ้นแสดงปาติโมกเป็นอันงดแล้ว